าาข่าวหน้ากลุ่มโดยดังตริมอ ต, อตอนที่38ะะหนางแบบไทยที่เคยไปถึงเวทีระดับโลกตกอับทั้งที่เคยมีรายได้ปีละ50ล้านบาท ปั จ, จุบันต้องเร่ร่อนสมัครงานตามโรงงานเผยไม่มีจะกินขนาดต้องกินข้าวกับเกลือแฉตนเองที่ชีวิตผกผันตกต่ําขนาดเนี้ยเพราะติดยาเปิดใจรู้สึกผิดที่เคยเอาขันตีแม่แต่ตอนเนี้ยสำนึกแล้วเอาน้ํำล้างเท้าแม่มาอาบและก้มลงกราบเท้าเพื่อล้างบาปแล้วเเรืออกกันคกคในคาปดดทขธใใิจ ยสลงข่าวนี้นับว่าเป็นที่ทราบกันดีพอสมควรเรียกว่าเข้าขั้นคุยกันทั้งบ้านทั้งเมืองนับตั้งแต่ช่วงที่นางแบบคนดังเริ่มตกอับกลับมาไทยเมื่อหลายปีก่อนตลอดจนกระทั่งมีสื่อมวลชนไปขุดคุยเอาเรื่องราวในปัจจุบันของเธอมาตีแผ่อีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้คนส่วนใหญ่ที่ตามเสพข่าวนี้ จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทำไมไม่เก็บเงินไว้บ้างทำไมไม่ให้เงินแม่บ้างถ้ารู้จักใช้เงินถ้ารู้จักเก็บออมแค่เอาเงินเข้าแบงกินดอกก็อยู่ได้แบบสบายไปทั้งชาติแล้วต่อให้หยุดทำงานนั่งกินนอนกินอย่างเดียวก็ตามถ้าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะเก็บเงินหลา ย, ลายสิบล้านไว้เฉยๆขอบอกเลยว่าคิดผิดมีไม่กี่คนในโลกหรอกที่ทำอย่างนั้นได้ ธรรมชาติของเงินนี่นะครับยิ่งมากเท่าไรก็ยิ่งเหมือนมันมีแรงดิ้นในตัวเองในอันที่จะหนีหายไปจากมือเรามากขึ้นเท่านั้นมันขึ้นอยู่กับคนถือเงินว่าเกิดมาเป็นนักจ่ายหรือนักลงทุนสำหรับนักจ่ายจะเห็นเงินหนีหายไปเลยไปแล้วไปรับไม่กลับมาส่วนนักลงทุนที่ฉลาดนั้นเงินจะวิ่งหายไปชั่วคราวแล้วเรียกเพื่อนกลับมาเพิ่ม คนส่วนใหญ่ไม่เคยมีเงินสดติดตัวถึงล้านคนส่วนใหญ่บริหารเงินพันเงินหมื่นแบบคิดหน้าคิดหลังกันหน้าดําคลัามเครียดและคนส่วนใหญ่ก็ฝันจะถูกรางวัลที่หนึ่งได้เป็นผู้มีทรัพย์หลายล้านด้วยความคิดว่าถ้าโชควาสนาดีปานนั้นจะสบายหายห่วงไปทั้งชาติรูปชีวิตแบบนี้แหละเป็นต้นกาเนิดของความคิดแบบนักจ่าย การถูกรางวัลที่หนึ่งมีอยู่หลายรูปแบบครับการเป็นนางแบบระดับโลกก็จัดเป็นการถูกรางวัลที่หนึ่งชนิดหนึ่งเหมือนกันนะพอมีรายได้ถึงปีละ5้ล้านง่ายๆเชื่อเถอะครับแทบทุกคนนั่นแหละที่จะอยากซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากได้ก่อนมีเท่าไรก็อยากใช้เท่านั้นหรือเกินนั้นความคิดอยากเก็บเงินจะมาเป็นอันดับท้ายๆเสมอแต่ก็แทบทุกคนเช่นกันจะอยากด่าใครบางคน ที่มีโอกาสดีกว่าตนเช่นหนังฟ้าตกอับในข่าวหน้ากลุ่มชิ้นนี้ว่าทำไมมีเราถึงไม่รู้จักเก็บวงการบันเทิงในปัจจุบันมีเม็ดเงินหมุนเวียนไม่รู้กี่ล้านล้านฉะนั้นพระเอกนางเอกนางแบบนายแบบทั้งหลายก็ไม่ใช่ดังเป็นจุดพลุกันง่ายๆด้วยบุญเก่าอย่างเดียวแน่นอนสวยหล่ออย่างเดียวไม่พอ ต้องรู้จักทำงานสร้างราศีและสั่งสมบารมีกันยาวนานด้วยแต่โลกมายาก็เหมือนความฝันมันพร้อมจะหายวับไปกับตาโดยเฉพาะในตอนที่คุณคิดว่าจะไม่ต้องกลับมาอยู่ในโลกความเป็นจริงดาราและนางแบบมากมายก่ายกองต่างล้มหายตายจากด้วยเหตุที่ตื่นเขินเช่นขี้เกียจทำงาน เลิดเปลินกับยาจนลืมวันลืมเวลาหรือไม่ก็หงุดหงิดง่ายไม่ได้อย่างใจจนระเบิดออกมาในเวลาที่ไม่ควรระเบิดเป็นต้นมายาคืออารมณ์หลอกและโลกของอารมณ์หลอกยอมตั้งอยู่หรือถูกพัดหายไปตามอารมณ์แห่งมายาชีวิตที่ต่างกันเหมือนฟ้ากับเหวอาจถูกเปรียบได้กับการเป็นคนละชาติเคยอยู่บนฟ้าวันหนึ่งต้องร่วงหล่นพุ่งหลาลงเหว ถ้าคุณดูรูปนางแบบตกอับคนนี้ทั้งสองยุคคุณจะรู้สึกอย่างนั้นเมื่อขึ้นสูงถึงระดับโลกเธอมีสง่าราศีจัดจ้านระดับโลกจริงๆคุณจะรู้สึกว่าคนที่คุยกับเธอได้ต้องเหนือชั้นในทางใดทางหนึ่งแต่ยามที่เธอต้องเร่ร่อนหางานทำตามโรงงานในหลายปีต่อมาสง่าราศีของเธอก็ไม่เหลือเลยเหมือนกันคุณจะไม่แปลกใจหากรู้ว่าคนที่เคยคุยด้วยบ่อยสุด น่าจะเป็นเจ้านีมากกว่าลูกนีครับนี่คือตัวอย่างของการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นสูงได้ก็ตกต่ำได้ยังดีที่การเปลี่ยนภพของเธอเกิดขึ้นในชีวิตเดียวจึงระลึกได้จับโยงได้ถูกว่าสิ่งที่ทำให้คนเราลงต่ำก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือเล่ายามันคืออบายามุขมันคือความเกียรตคร้านไม่รับผิดชอบการงาน มันคือการสู่รุ่ยสุร่ายอย่างสูญเปล่ามันคือการไม่กระตันยูต่อบุคภการีเธอเล่าประวัติความเป็นมาทั้งช่วงรุ่งโรจน์และเหลวหล ạc อย่างหมดเหลือกแต่ก็นั่นแหละประสบการณ์ชีวิตเป็นสิ่งที่เล่าให้กันและกันฟังได้แต่จะถ่ายทอดรสชาติของบทเรียนไม่ได้ทั้งวันนี้และวันพรุ่งจะมีคนมากมายพากันเดินลาดลงต่ําด้วยเหตุเดิมๆเช่นเดียวกับเธอ คือไม่รู้ว่าทำผิดคิดพลาดแล้วจะให้ผลอย่างไรในเวลาต่อมาอเ เ, าทเบทความโดยดังตรินจากมิจยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่52เสียงอ่านโดยโจชู มันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอยาดลองดูเรื่องกันคือการประทังของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลหรื่อยอันลึกลับเสมอคงกับการส่งผลของกันคือทำอะไร a h e